เรียนกรรมฐานัเรียนส่วนใหญ่มเรียนกันสเปซ ส, สปะเรียนวิธีโน้นเรียนวิธีนี้มันไม่ได้หลักของการปฏิบัติถ้าเรารู้หลักของการปฏิบัติแล้วแต่ละคนก็มีวิธีเฉพาะตัวเองคนไหนถนัดใช้สมาธินำปัญญาก็าใช้ไปคนไห น, นถนัดใช้ปัญญานำสมาธิก็ได้ใช้สมาธิปัญญาควบกันก็ได้ คนไหนเจริญปัญญาถนัดจะรู้กายก็ได้รู้เวทนาก็ได้รู้จิตก็ได้รู้สภาวะธรรมก็ได้ทางใครทางมันหลักนั้นเป็นอันเดียวกันแต่วิธีปฏิบัติเป็นทางเฉพาะตัวส่วนมากที่สอนสอนกันม่นจะสอนวิธีปฏิบัติแล้วก็ให้ทุกคนอย่างทุคนมาเข้าวัดนี้จะต้องปฏิบัติแบบนี้ วิธีปฏิบัติอย่างอื่นไม่ถูกไปอีกที่หนึ่งนะก็สอนวิธีปฏิบัติอีกแบบหนึ่งหลวงปู่แล้ววิ่งไหลแห่งยิ่งสับสนกว่าเก่าอีกงั้นเรามาดูหลักของการปฏิบัติให้แม่นถ้าหลักการปฏิบัติแม่นแนละ้วไปดูว่าวิธีที่เหมาะกับเรานั้นเป็นยังไงครูบาอาจารย์สอนก็ บอกว่าเราไปนิพพานที่เดียวกันเนะี่ยแต่ทางใครทางคนนั้นไม่เหยียบรอยกันท่นบอกคนหลายคนกินน้ําบ่อเดียวเดินทางเดียวนะไม่เหยียบร้อยกันเดินทางเดียวคือทางของเอกายนามัคเส้นทางของอริยมัคไม่เหยียบร้อยกันแต่ละคนมีวิธีปฏิบัติเฉพาะตัวเอง แต่ว่าพิธีปฏิบัติเฉพาะตัวเนี่ยถึงยังไงก็อยู่ภายใต้คําสอนของพระพุทธเจ้าอย่าถึงขนาดไปคิดวิธีปฏิบัติเองพระพุทธเจ้าสอนวิธีปฏิบัติไว้เยอะมากแล้วเมืองคนนะีคิดวิธีปฏิบัติเอาเองโอกาสที่มันจะถูกเนี่ยต่ํามากเลยแทบไม่มีในย่าสําคัญทางสถิติเลยโอกาสถูกเลยไม่มีอะ ไม่ใช่ภู่ิปัญญาที่เราจะรู้ด้วยตัวเองพระพุทธเจ้าสอนไว้หมดแล้วละ่ะวิธีอย่งสมถะกรรมฐานท่านสอนไว้เยอะแยะแต่ท่านไม่ได้ประมวลว่ากี่วิธีพระรุ่นหลังท่านมาประมวลว่ามีสี่สิบวิธีความจริงก็อาจจะมีเยอะกว่านั้นเป็นวิธีเฉพาะปรกย่อยเฉพาะตัว แต่ถ้าจะว่าไปแล้วมันก็หนีไม่เกินสี่สิบวิธีนี่อย่างมีพระองหนึ่งเป็นช่างทองไปบวชอยู่กับพระสารีบุตรพระสารีบุตร ม, มือระดับอัคารสาวกปัญญามากที่สุดในพระศ า, ศาสนาเนี่ยเขาสอนลูกศิษย์ไม่ได้ท่านไม่รู้ว่าคนนี้ต้องปฏิบัติยังไงญาณที่อย่างรู้ ว่าคนนี้ควรปฏิบัติยังไงคนนี้ควรปฏิบัติยังไงเป็นญาณเฉพาะของพระพุทธเจ้าไม่ใช่ญาณของสาวก พ, พระศาพระศาริบุตรเห็นว่าลูกศิษย์นี้เป็นช่างทองยังหนุ่มด้วยน่าจะเป็นราคาจริตราคาจริตนะี่ทำยังไงจิตจะสงบกต้องพิจารณาอาสุภกรรมฐานลูกศิษย์พิจรารณาสุภนะพิจารณาไม่สำเร็จเลยขยักขยงัง เรเห็นฟีนานสุภาพแล้วทนไม่ไหว ấy, ก็อยากแข่งท่านเลยคิดจะศึกแล้วอยู่ไม่ไหวแล้วในศาสนา น, นี้ยังบุญนะไปพระพุทธเจ้าไปพบเขาพระเจ้าก็ให้ดอกบัวไปดอกหนึ่งเป็นดอกบัวแดงสวยงามนี่มีราคาจดิษฐ แ, แท้เลยพระเจ้าก็ให้ดูดอกบัวสวยๆบอกให้เอาดอกบัวไปปักไว้บนพื้นทราย ชายาคากุตินั่งในร่มนะ้ำปักไหมแนะนั่งดูดอกบัวดอกบัวแดงดอกบัวแดงบริกรรมไปเรื่องจิตท่านชอบจิตของท่านชอบดอกบัวมันสวยใจของท่านเคล้าเคลียอยู่กับดอกบัวไม่หนีไปที่อื่นแถมปลื้มด้วยดอกบัวนี้พระพุทธเจ้าประทานมาให้เป็นเราเราก็ปลื้มเนะาะเดี๋ยวเราคงเก็บไว้อีกอเอาใส่ต้องอัดเอาไว้เนาะไปไว้กลาบไหว้บูชา ท่านไม่ได้เก็บเอาไปบูชาพระพุทธเจ้ า, าให้มาปักบริกรมท่านก็บริกรรมไปเรื่อยดูไปได้่พอสายแดดแรงขึ้นแรงขึ้นดอกบัวนี้ก็เหี่ยวลงเรืยๆท่านก็ได้เห็นความแปรปลวนเออดอกบัวที่สวยงามนี้ไม่เที่ยงซะแล้วนะเหยี่ยวเฉาดูไม่ได้กันแล้วจิตท่านก็รวมจิตสงบพระพุทธเจ้าแสดงทำให้ฟังนิดเดียวก็บรรลุพระหัน ตรงที่เห็นดอกบัวเหี่ยวแล้วจิตสลดจิตรวมไม่ฟุ้งซ่านไปได้สมถ t h กรรมฐานนี่รายละเอียดปีกย่อยแต่ละคนไม่เหมือนกันบางท่านมีหน้าที่จุดตะเกียงตามประทีปค่มไฟในวิหารพอจุดไปแล้วก็ค่อยๆพบว่าไฟมันน้ำมันหมดมันค่อยดับทีละดวงทีละดวงจิตท่านก็สงบขึ้นมาแล้วก็เกิดปัญญา เห็นอะสิ่งทั้งหลายมันมีเหตุมันมีน้ำมันอยู่มันมีเหตุเหตุดับมันก็ดับจิต ท, ท่านรวมสงบถ้เดินตัญญาเห็นไตรลักษณ์ของธาตุของขันนี่ถเป็นพระอรหันต์ของญี่ปุ่นก็มีเยอะนะมีนิทานเซนวัยอีคิวซังนั่งสมาธิอยู่ได้ยินอีการ้องภาษาโตริ สาตรีตร่นี่คงไม่ถึงระดับพระอรหันต์หรอกจะได้ธรรมะพวกเราไปหาอีกามาเลี้ยงฟังทุกวันนะไม่สาโตรีตร่หรอกอีกคนหนึ่งเดินผ่านประตูอาจารย์แก้งเลื่อนประตูหนีบขาหักเลยก็บรรลุสาตตรีตรงที่ขาหากักอันนี้เป็นความสามารถเฉพาะตัวห้ามเรียนแบบทำไมแต่ละคนมันไม่เหมือนกัน ทางใครทางมันนะแต่หลักนั้นอยู่ในอันเดียวกันถ้าจะทำสมถะกรรมฐานนะหาอารมณ์ที่จิตชอบต้องใช้อารมณ์ที่จิตชอบถ้าเริ่มต้นด้วยอารมณ์ที่จิตเกลียดนะจิตไม่สงบอย่างพระว่านั้นท่านเกลียดอสุภะท่านชอบของสวยงามมากเลยท่านดูดอกบัวแดงดอกบัวสวยแล้วก็เห็นความแปลปรวนไป ใจเขายอมรับได้เอของสวยก็ไม่เที่ยงนต้องดูตัวเองเป็นคนๆไปต้องเลือกอารมณ์กรรมฐานที่จิตชอบถ้าจิตชอบอารมณ์อะไรจิตอยู่ในอารมณ์มันนั้นจิตก็สงบต้องรู้จักเลือกอารมณ์ที่จิตชอบมาเหตุสีพระเจ้าพิมพิสารองค์ชื่อพระนางเขมาพระนางเขมา เป็นคนสวยคนงามรักสวยรักงามมากพระเจ้าพิมพิสารชวนให้ไปเฝ้าพระพุทธเจ้านะบอกไม่ไปเป็นตายก็ไม่ไปเพราะพระพุทธเจ้าสอนในเรื่องไม่สวยไม่งามไม่สุขไม่สบายสอนแต่เรื่องแก่ชราคล่ำคล่าเจ็บป่วยไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานะร่างกายนี้เป็นหนังหุ้มกระดูกอนะางเงี้ยพระนาเขมารับไม่ได้นะ นันตั้งใจว่าจะไม่ไปเฝ้าพระพุทธเจ้าเพราะท่านเป็นคนรักสวยรักงามมากพระเจ้าพิมพิสารท่านก็ออกอุบายจะชวนมาเห่ศีไปเฝ้าพระพุทธเจ้าท่านก็ไปจ้างนักแต่งเพลงแต่งเพลงสารเสริญวัดเวรุวันวัดที่พระพุทธเจ้าประทับสวยอย่างนั้นสวยอย่างนี้คนรุ่นหลวงพ่อรุ่นก่อนหลวงพ่อนะั้นก็เคยดนอย่างนี้หรอกนะ เขาองเพลงผูกระดึงอ่ะใครเคยได้ยินไหมผูกระดึงฟังแล้วอยากไปนะโอ้ยซ้าแหกก็แหกแล้วนะไปแล้วก็งั้นง้นอะเงี้ยความจริงวิธีนี้มีมานานแล้วสมัยรายการที่ห้าก็มีใครเคยได้ยินเพลงขเขมรใสยโยกไหมยังรู้จักไหมขเขมรใสยโยกบรรยายความตามท้ายเสด็จญาติกรมพยายนอริษเนี่ยเป็นน้องรายการที่ห้าลูกรายการที่สี่ เคยตามราชการที่4ไปสซโยกตั้งแต่เด็กๆตอนราชการที่5ท่านจะไปตอนคลองราดแล้วเนี่ยกรมพิารณาฤทธิ์ไม่ได้ไปต้องสาเร็จราชการต้องอยู่ดูแลบ้านเมืองนี้พวกสาวชาววังนะได้ยินว่าราชการที่หจะเสด็จประพาสไซโยกนี่กลัวเข้าป่ามันน่ากลัวไม่อยากไปท่านก็วางแผนกันนะแต่งเพลงกระเมียนโยก โอ้ยฟังแล้วเคลิมนะอยากไปไปแล้วก็เลยรู้ความจริงอ๋อสวยจริงๆอะไรเงี้ยวิธีนี้มีมานานละนะต้นตำรับเลยที่เก่าแก่ที่สุดที่รู้ก็คือพระเจ้าพิมพิสารน่แหละให้คนแต่งเพลงชมวัดเมรุวันพรนานางเค ม, มาก็อยากไปได้ยินเสียงเพลงโอ้วัดนี่สวยอย่างนั้นสวยอย่างนี้แต่ท่านเลือก ดูว่าพระพุทธเจ้าไม่อยู่ตอนไหนขอไปดูวัดแต่ไม่ขอเจอพระพุทธเจ้าก็รู้ว่าเช้าๆพระพุทธเจ้าไปบินธบัติ ท, ทั้งรีบไปแต่เช้าเลยทางวัดก็เงียบเลยนะเข้าไปที่หน้าวัดไม่สวยเท่าไหร่หรือว่าที่สวยมันอยู่กลางๆวัดเข้าไปกลางๆวัดนะวัดก็เงียบนะพระไปบินธบัติหมดเข้าไปกลางวัดก็ไม่สวยอยีกหรืออยู่ท้ายวัดเดินไปจนเจอพระพุทธเจ้า <c oughs> ไม่เจอพระพุทธเจ้า พระเจ้าท่านสร้างภาพนิมิตขึ้นมานะเป็นผู้หญิงสวยสวยกว่าพระนางเขมามากเลยนั่งพัดพระพุทธเจ้าอยู่พระนางเขมานี่ไม่มองพระพุทธเจ้าเลยมองว่าผู้หญิงคนนี้สวยกว่าเราอีกสนใจว่าเขาสวยจังนะตรงนั้นก็สวยตรงนี้ก็สวยดูไปดูไปนี่ผู้หญิงคนนี้ค่อยๆเหี่ยวลงเหยี่ยวในที่สุดก็ตายล้มลงไปนะท่านสลดใจ จิตสละสลดใจนะรวมจิตไม่ต่อต้านถ้าเห็นศพตั้งแต่แรกต่อต้านนี่จิตไม่ต่อต้านจิตค่อยๆสลดใจแล้วรวมสงบพระเจ้าแสดงทำ น, นิดเดียวนะท่านบราารลุพระอรหันต์เลยงั้นหลักของการทําสมถกรรมฐานเนี่ยหลักมันนิดเดียวเองเลือกอารมณ์นะที่จิตอยู่ด้วยแล้วมีความสุขแต่ต้องเป็นอารมณ์ที่ไม่ยั่วกิเลสนะ ถ้าอารมณ์เบือหวาหบอกเล่นอินเทอร์เนต็ตเนี่ยเป็นอารมณ์มันเดียวสามวันสามคืนก็เล่นอยู่งั้นน่ะอย่างนี้ใช้ไม่ได้หรือเล่นไพ่ทั้งวันทั้งคืนดูบอลโลกตาแดงแดงแล้วแดงอี ก, อ, กอยู่ในอารมณ์เดียวไม่ไปไหนเลยเมียเรียกก็ไม่ได้ยินอย่างนี้อย่างนั้นไม่ได้มันยั่วกิเลสมากไปงันเราต้องมาสํารวจตัวเองนคนไหนชอบพุโทโธเราก็อยู่กับพุโทโธคนไหนชอบลมหายใจเราอยู่กับลมหายใจ คนไหนชอบดูท้องผ่องยุบดูท้องผ่องยุบแล้วมีความสุขมีความสบายใจก็ดูท้องผ่องยุบคนไหนจะขยับมือนะก็ขยับไปแล้วมีความสุขขยับไปด้วยความสุขคนไหนเดินจงกรมแล้วมีความสุขก็เดินไปเลือกอารมณ์กรรมฐานที่ไม่ยั่วกิเลสนะเป็นอารมณ์ที่จิตอยู่ด้วยแล้วมีความสุขเราก็อยู่กับอารมณ์ชนิดนั้นจิตจะพอใจไม่วิ่งพล่านไปหาอารมณ์อื่น การที่จิตพอใจสงบอยู่ในลมันเดียวนะสิ่งที่ได้คือสมะถะกรรมฐานนี่เราต้องรู้ว่าจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องหลักของมันมีเท่านี้เองงั้นถ้าใครมาบอกเรานะว่าพุทโธดีที่สุดนะเราก็ไม่ว่าเขานะเออดีที่สุดสำหรับคุณอีกคนหนึ่งว่าลมหายใจดีที่สุดเราก็ไม่ว่าเขาเออดีสำหรับคุณคนนึงว่าพองยุบดีที่สุดก็ดีสาหรับคุณเหมือนกัน ทางใครทางมันนะถ้าเราโง่เราก็คิดว่าวิธีที่เราทำเนี่ยดีที่สุดอย่างหลวงพ่อตั้งแต่เด็กนะหายใจเล่นอนาปานาสติตั้งแต่เจ็ดขวบเดินปัญญาไม่เป็นทำแต่อนาปานาสติที่เป็นสมถะอยู่22ปีเวลาจะทำสมาธิทำสมถะหลวงพ่อหายใจไม่นานก็สงบนะแล้วหลวงพ่อจะไปบอกว่าอนาปานาสติดีที่สุดเลย อันนี้เป็นความโง่ละแต่ละคนนั้ไม่เหมือนกันจริตนิสัยของคนแตกต่างกันเราต้องดูตัวเองจิตอยู่กับอารมณ์ชนิดไหนแล้วมีความสุขอยู่กับอารมณ์นั้นจิตจะไม่หนีไปหาอารมณ์อื่นว่าจิตไม่หนีไปหาอารมณ์อื่นนะจิตสงบอยู่ในอารมณ์เดียวนะจิตก็ได้สมาธิได้สมถะสงบอยู่ในอารมณ์เดียว นีะจิตอยู่ในรมัเดียวแล้วอันนี้เป็นที่พักผ่อนทําให้จิตมีเรี่ยวมีแรงจิตสดชื่นพอจิตมีเรี่ยวมีแรงสดชื่นแล้วต้องใช้มันทํางานคือเจริญปัญญาการจะเจริญปัญญาได้นะถ้าจิตสงบอยู่เฉยๆทาสมาธิอยู่เฉยๆนะจิตไม่เจริญปัญญาหรอกทําสมาธิกี่ปีก็ไม่เจริญปัญญาหรอกจะเจริญปัญญามันมีเงื่อนไข มีสภาวะที่เป็นเงื่อนไขเราต้องพัฒนาเงื่อนไขขึ้นมาทำเหตุปัจจัยของการเจริญปัญญาขึ้นมาให้ได้ตัวแรกจะต้องมีสมาธิชนิดที่เรียกว่าลักขณูปนิชฌานสมาธิที่จิตสงบอยู่ในอารมณ์เดียวนั้นเป็นสมาธิที่เรียกว่าอารัมมณูปนิชฌานจิตเพ่งอยู่ในอารมณ์เดียวสมาธิที่จะใช้เดินปัญญาเนี่ยเป็นอีกแบบหนึ่ง ไม่ใช่สมาธิที่สงบนิ่งอยู่ในอารมณ์เดียวแต่จิตนั้นเป็นหนึ่งตั้งมั่นเป็นหนึ่งอารมณ์นั้นเป็นร้อยเป็นพันก็ไดนะ้เห็นอารมณ์เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงแต่จิตเป็นคนดูอยู่มีคนดูอยู่คนเดียวเหมือนเรานั่งอยู่ริมถนนนะหรือบ้านเราเป็นตึกแถวหรือที่ทำงานเราเป็นตึกสูงเราอยู่บนตึกมองหน้าต่างมาเห็นรถวิ่งในถนนเยอะแยะเลยรถแต่ละคันก็เหมือนอารมณ์แต่ละอย่างมาแล้วก็ไปมาแล้วก็ไป คนดูนะัอยู่คนเดียวคนดูไม่ได้มีหลายตัวตัวดูมีตัวเดียวเราเป็นคนดูอยู่เราต้องมาฝึกจิตจนเป็นคนดูให้ได้จิตเป็นหนึ่งอารมณ์เท่าไหร่ก็ได้แต่ถ้าสมถะกรรมฐานนะั้นจิตเป็นหนึ่งอารมณ์เป็นหนึ่งเช่นดูดอกบัวแดงก็ไม่ไปดูอย่างอื่นดูแต่ดอกบัวแดงขยับมือทําจังหวะนะจิตเท่าสงบอยู่กับอารมณ์มีจิตเป็นหนึ่ง แล้วก็มีอารมณ์เป็นหนึ่งก็คือการเคลื่อนไหวของมือจิตเป็นหนึ่งอารมณ์เป็นหนึ่งนี่คือสมถ ะ, ะเป็นสมาธิที่เรียกว่าอารัมมณูปนิชฌานเพ่งอยู่ในอารมณ์มันเดียวสมาธิที่จิตจะตั้งมั่นเป็นคนดูจิตเป็นหนึ่งเหมือนกันแต่อารมณ์นี่เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปตามธรรมชาติธรรมตาเคลื่อนเข้ามาได้6ช่องทางคือทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจทางใจก็เช่นมันคิดมันนึกมันปรุงมันแต่ง จิตเป็นผู้รู้ผู้ดูอยู่ต่างหากเนี่ยจิตถอนตัวมาเป็นคนดูตัวนี้อยู่ๆมันไม่เกิดหรอกเราต้องฝึกอารมณ์ทางตาจิตเป็นคนดูอารมณ์ทางหูจิตเป็นคนฟังอารมณ์ทางจมูกจิตเป็นคนดมกลิ่ น, นอารมณ์ทางลิ้นจิตเป็นคนรู้รสอารมณ์ทางกายเนี่ยจิตเป็นคนรู้สัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งที่มากระทบร่างกายอารมณ์ทางใจนะก็ า, ารพัดเลย เรื่องราวที่คิดก็เป็นอารมณ์ทางใจเรียกว่าบัญญัติสมมุติบัญญัตริรูปบางอย่างรู้ด้วยใจอย่างพวกเราเราหลับตาแล้วลองยกมือรู้สึกไหมร่างกายยกมือเพราะฉะนั้นรูปที่เคลื่อนไหวเนี่รู้ด้วยใจรูปบางอย่างรู้ด้วยใจรูปน้ำรู้ด้วยใจถ้ารูปดินรูปลมรูปไฟรู้ด้วยร่างกายรูปบางอย่างรู้ด้วยใจ นามาธรรมทั้งหลายรู้ด้วยใจนิพพานรู้ด้วยใจเพราะฉะนั้นสิ่งที่รู้ด้วยใจนี่กว้างขว้างมากมีตั้งแต่เรื่องราวที่คิดมีรูปบางอย่างมีนามาธรรมทั้งหลายแล้วก็มีนิพพานอันนี้รู้ด้วยใจการที่จะฝึกจิตให้เป็นผู้รู้ผู้ดูเนี่ยเวลามีอารมณ์กระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนะให้มันกระทบไปให้มันกระทบไปนะแต่จิตเราเป็นคนดูจิตไม่ไหลาหตาม อย่างขนาดที่ตามองเห็นรูปปกติจิตจะไหลไปทางตานะให้เรารู้ทันว่าจิตไหลไปจิตจะตั้งมั่นไม่ไหลพวกเราลองดูพระพุทธรูปดูตรงปลายยอดของท่านเห็นไหมในปลายพระเกศเนี่ยมีเส้นเป็นแฉกแฉกดูซิว่ามีแฉกย่อยๆอยู่กี่แฉกเรารู้สึกไหมขณะที่เราดูเนี่ยจิตเราเคลื่อนไปอยู่ที่พระรู้สึกไหม นี่แหละเวลาที่ตามองเห็นรูปนะจิตมันจะไหลไปทางตาเอาล้วกลับมาได้นะดูพอสมควรแนละ้วดูเป็นตัวอย่างแล้วนะเดี๋ยวออกไปหาอะไร ด, ดูเอาเองเราจะเห็นในะเวลาเราไปดูรูปนะจิตจะวิ่งไปทางตาเวลาได้ยินเสียงจิตจะวิ่งไปทางหนะูเวลานั่งอยู่อย่างเงี้ยยุงกัดมันขันขึ้นมานะจิตจะวิ่งไปตรงจุดที่ยุงกัดจินจะเคลื่อนได้เวลาที่เราคิดนะจิตจะไหลไปในโลกของความคิดจะเคลื่อนไป หรือเวลาเราหัดดูลมหายใจจิตไหลไปอยู่ที่ลมหายใจเวลาดูท้องพองยบจิตไหลไปอยู่ที่ท้องเวลาเดินจงกรมกําหนดอยู่ที่เท้ายกเท้าย่างเท้าจิตไหลไปอยู่ที่เท้าธรรมชาติของจิตนั้นไหลตามอารมณ์ไปเรื่อยอยู่อารมณ์เราก็วิ่งตามอารมณ์ไปทางทวารทาั้ง6ทังตาหูจมูกลิ้นกายใจคนทั่วไปเป็นอย่างนี้สัตว์ทั้งหลายเป็นอย่างนี้แต่ผู้ปฏิบัติเราจะไม่ปล่อยให้เป็นอย่างนั้น ให้เรารู้ทันว่าจิตวิ่งไปที่ตาละจิตวิ่งไปทางตาจิตวิ่งไปทางหูจิตวิ่งไปทางใจไปคิดไปนึกอะไรเนี่ยถ้าเรารู้ทันจิตที่เคลื่อนไปจิตที่วิ่งไป่จิตจะตั้งมั่นขึ้นมาโดยอัตโนมัติใช้คําว่าอัตโนมัตินะไม่ต้องบังคับจะตั้งขึ้นเองโดยอัตโนมัติจิตจะดิดตัวออกมาเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนี่เวลาฝึกเลยทําไงมันมีช่องที่หนีได้ตั้งหกช่อง ดูจิตที่ไหลออกทั้ง6ช่องเนี่ยเป็นงานที่มากเกินไปเหนื่อยเกินไปสำหรับมือใหม่มือใหม่หัดปฏิบัตินะเอานิดเดียวในทางทวารทั้ง6นันจิตหนีไปทางใจมากที่สุดแล้วจิตหนีไปทางใจเนี่ยระหว่างหนีไปคิดกับหนีไปเพ่งอันไหนมากกว่ากันหนีไปคิดเดยอะกว่าเราไม่ใช่พวกทรงชานพวกทรงชานก็เพ่งอยู่งั้นตั้งแต่เช้ยายันค่ากลางคืนดึกดื่นก็นั่งเพ่ง แต่พวกเราไม่ใช่พวกนักเพ่งดฉะนั้นจิตส่วนใหญ่ของพวกเรานะี่ยจะหนีไปคิดเราสุ่มตัวอย่างมาเรียนนะเรามาเรียนรู้จิตที่หนีไปคิดให้มากที่สุดเลยต่อไปนี้เวลาจิตหนีไปคิดเรารู้ทันจิตหนีไปคิดเรารู้ทันไม่จาเป็นต้องไปดูจิตที่วิ่งไปดูจิตที่วิ่งไปฟังจิตที่วิ่งไปดมกลิ่นหลายช่องนะักดูยากเอาช่องเดียวที่ใจนะช่องเดียวที่ใจมันทํางานได้ไหลายอย่างมันวิ่งไปเพ่งก็ได้วิ่งไปหลงไปเลยก็ได้นะ สุดตรงไปข้างหลงกับสุดตรงไปข้างเพ่งเอาไว้นักปฏิบัติถ้าลงมือปฏิบัติก็จะนั่งเพ่งถ้าเพ่งอยู่ให้รู้ว่าเพ่งรู้ว่าจิตเคลื่อนไปเพ่งแนละแต่ถ้าอยู่ในชีวิตธรรมดาอย่างเงี้ยจิตชอบหนีไปคิดให้รู้ทันว่าจิตหนีไปคิดว่าจิตหนีไปคิดเป็นจิตที่เกิดบ่อยที่สุดทันทีที่เรารู้ว่าจิตหนีไปคิดจิตรู้จะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติ เมื่อไรรู้ว่าจิตคิดนะจิตรู้จะเกิดโดยอัตโนมัติเพราะอะไรพระจริตที่ไหลไปคิดเป็นจิตฟุ้งซ่านฟุ้งซ่านไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจทางใจก็ฟุ้งซ่านไปคิดจิตที่ฟุ้งซ่านเนี่ยถ้าเราเกิดสติเมื่อไร่จริตที่ฟุ้งซ่านจะดับเมื่อนั้นจิตที่ฟุ้งซ่านนั้นตรงข้ามกับสมาธิสมาธิคือความตั้งมั่นไม่ฟุ้งไปไม่แส่สายออกไปถ้ามันฟุ้งมันซ่านไปนะจิตไม่มีสมาธิ ให้เรารู้ทันจิตที่หนีไปคิดทันทีที่รู้ว่าจิตคิดจิตรู้จะเกิดอัตโนมัตินะเพราะสติเกิดเมื่อไหร่นะความฟุ้งซ่านจะดับเมื่อ น, นั้นความฟุ้งซ่านเป็นกิเลสกิเลสจะไม่เกิดร่วมกับสติเด็ดขาดเลยนะนะนี่เป็นกฎของธรรมะนี่ถ้าเรารู้หลักของการปฏิบัติเนี่ยมันจะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปนะวิธีที่จะทําให้จิตตั้งมั่นนะหัดพุดโทโธไปหัดหายใจหัดดูท้องพองยุบเหมือนที่เคยทําตอนทําสมถะนั่นแหละ แต่ว่าไม่ได้น้อมจิตให้อยู่ในอารมณ์ันเดียวนะทําสมถะนะเรารู้ลมหายใจก็ให้จิตเกาะ อ, อยู่ที่ลมหายใจดูท้องพองยุบให้จิตไปเกาะ อ, อยู่ที่ท้องพวกที่เล่นพองยุบอะส่วนใหญ่จิตไปอยู่ที่ท้องแทบเท่านั้นนะไปกําหนดอยู่ที่ท้องอันนั้นสมถะนะหรือขยับมืออย่างหลวงพ่อเทียนสายหลวงพ่อเทียนขยับมือนะถ้าทําไม่เป็นนะจิตจะไปเกาะนิ่งอยู่ที่มือไปเพ่งใส่มือนี่ก็สมถะ นี่เราปรับนิดเดียวเราใช้อารมณ์กรรมฐานอย่างเดิมเคยหายใจก็หายใจเคยพุโทโธก็พุโทโธเคยดูท้องพองยุบก็ดูท้องพ่องยุบแต่ไม่ใช่น้อมจิตไปอยู่ที่พุโทโธไม่ได้ย้อมน้อมจิตไปอยู่กับลมหายใจไม่ได้น้อมจิตไปอยู่ที่ผ่องยุบถ้าจิตไหลไปที่ลมหายใจรู้ทันจิตไหลไปท้องพุโทโธไปคิดพุดโทโธหรือแอบไปคิดเรื่องอื่นรู้ทันจิตไหลไปอยู่ที่ท้องรู้ทัน หรืจิตไหลไปคิดก็รู้ทันอย่างถ้าเราดูท้องพองยุบอยู่อยากให้จิตไหลไปที่ท้องถ้าจิตไหลไปที่ท้องรู้ทันจิตก็ถอยออกมาถ้าจิตนี้พองยุบอยู่ดูท้องพองยุบอยู่จิตนี้ไปคิดเรารู้ทันจิตก็ถอยออกมาเป็นผู้รู้ผู้ดูเราเอาตัวจิตเป็นตัวหลักเราไม่ได้เอาอารมณ์เป็นตัวหลักสมถะกรรมฐานนั้นเอาอารมณ์เป็นตัวหลักเอาจิตไปฝากไว้กับอารมณ์เช่นเรานั่งเพ่งไฟเอาจิตไปเกาะไว้ที่ไฟ นั่งเพ่งลมหายใจเอาเจ walking, ิตไปเกาะอยู่ที่ลมหายใจอันนี้จะได้สมถะจิตจะอยู่ในอารมณ์มันเดียวแต่ถ้าจะฝึกให้จิตตั้งมั่นเนี่ยเอาจิตเป็นหลักไม่ใช่เอาอารมณ์เป็นหลักเวลาเรารู้ตัวอยู่เราท่องพุทโธพุทโธอยู่จิตไปเพ่งคำว่าพุทโธรู้ทันจิตหนีไปคิดเรื่องอื่นรู้ทันเวลาเรารู้ลมหายใจอยู่จิตไปเพ่งลมหายใจรู้ทันจิตหนีไปคิดเรื่องอื่นรู้ทันเวลาดูท้องพองยุบจิต วิ่งไปเพ่งท้องเคลื่อนไปเพ่งทองรู้ทันจิตนี้ไปคิดเรื่องอื่นรู้ทันขยับมืออย่างหลวงพระเทียนนะจิตไปเพ่งใส่มือก็รู้ทันจิตนี้วิคิดเรื่องอื่นก็รู้ทันให้รู้ทันจิตเพราะฉะนั้นบทเรียนที่จะให้ได้สมาธิชนิดนี้ถึงชื่อว่าจิตตะศิกขาไม่ใช่ชื่อว่าอารมณ์ศิกขานะชื่อมันบอกอยู่แล้วว่าเราจะต้องเรียนเรื่องจิตถ้าเราไม่เรียนเรื่องจิตเนี่ยไม่เรียกว่าเรียนเรื่องจิตตะศิขาเลยเมื่อเราเอาจิตเป็นตัวหลัก ไม่ใช่เอาอารมณ์เป็นหลักแต่ถ้าทําสมถะนั้นใช้อารมณ์เป็นตัวหลักนะให้น้อมจิตไปอยู่ในอารมณ์มันเดียวอย่างต่อเนื่องจิตไม่พอใจในอารมณ์นั้นจิตไม่หนีไปหาอารมณ์อื่นจิตจะได้ความสงบอยู่ในอารมณ์มันเดียวแต่ถ้ารู้ทันจิตนะมีอารมณ์กรรมฐานนั้นเป็นแบ็กกล่าวเท่านั้นเองหายใจไปแล้วจิตไปอยู่ที่ลมรู้ทันรู้ทันจิตหายใจไปจิตหนีไปคิดรู้ทันไม่รู้ทันจิตนะ การที่เรารู้ทันจิตเนืองเนืองเนี่ยเราจะได้จิตที่ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานขึ้นมาทันทีที่รู้ว่าจิตเคลื่อนไปนะจิตจะตั้งมั่นขึ้นโดยอัตโนมัติมีคําว่าอัตโนมัตินะคือตั้งขึ้นเองไม่ต้องเจตนาตั้งถ้าเจตนาตั้งจิตให้เป็นผู้รู้นะจะแน่ น, นะนแน่นนะหนักหนแน่นๆ่นแข็งแข็งจิตเป็นอากุศล น, นะจิตมีโลภะนะแล้วก็ไปบังคับตัวเองบังคับตัวเองก็เครียดขึ้นมามีโทสะแทรกเข้ามาอีก เมืนะ่อเราคอยฝึกจิตเคลื่อนไปเรารู้จิตเคลื่อนไปเรารู้จะพูดโธก็ได้จะหายใจก็ได้ฝึกตัวให้ให้ชํานาญลยถ้าทําตัวนี้ได้เราก็ได้เครื่องมือมาหนึ่งตัวแล้วเครื่องมือตัวที่สองคือสติซึ่งเราลึกรู้รูปนามนะอันแรกเครื่องมือตัวแรกที่เราฝึกคือฝึกให้ได้สมาธิชนิดที่จิตตั้งมั่นรู้อารมณ์เรียกว่าลักคนูปนิชัาน มีลัคนูปนิชานอย่างเดียวไม่พอต้องมีสติรู้ความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของรูปธรรมนามธรรมซึ่งประกอบกันเป็นตัวเราด้วยนั้นเครื่องมือมีสองตัวมีสมาธิที่ตั้งมั่นอย่างหนึ่งมีสติที่รู้ทันความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของกายของ ใ, ใจอีกอย่างหนึ่งถ้าเราได้เครื่องมือสองอย่างนี้แหละการจเจริญวิปัสสนาปัญญาถึงจะเกิดขึ้นได้นะทำยังไงเราจะเกิดสติะระลึกรู้รูปนามได้ สติเป็นอนัตตาสั่งให้เกิดไม่ได้จิตก็เป็นอนัตตาสั่งให้มีสติไม่ได้เพราะฉั้นไม่ได้เป็นไปตามสั่งสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเป็นไปตามเหตุเหตุของสติคือการที่จิตจำสภาวะได้แม่นยําอย่างเราจำของคนหนึ่งได้แม่นเราเห็นทุกวันเราจำแม่นใช่ไหมบางคนเป็นพี่น้องเราแท้ๆเราไม่เจอยี่สิบสาสิปีมาเจอหน้านี่จาไม่ได้นะไม่เห็นนาน งั้นถ้าคนไหนเราเห็นบ่อยเราก็จําแม่นคนไหนไม่ค่อยจะเห็นเลยนานนอนเห็นทีหนึ่งก็จำไม่แม่นสตินี้ก็เหมือนกันถ้าเห็นสภาวะบ่อยๆนะมันจะจาสภาวะได้แม่นถ้านานนอนจะเห็นสภาวะทีมันจาสภาวะไม่ได้การจำนี้เป็นสัญญานะนั้นสติเนี่ยมาจากสัญญาอีกทีหนึ่งมาจากถีระสัญญาการจำสภาวะได้แม่นยำ หน้าที่เราทํำยังไงถึ ง, งจะจําสภาวะได้แม่นเราต้องเห็นสภาวะบ่อยๆสภาวะธรรมที่ประกอบเป็นตัวเราก็าประกอบด้วยรูปธรรมบ้างนา ม, มารมบ้างรวมกันนะเริ่มต้นเราจะเอาสภาวะอะไรก็ได้ของรูปธรรมและนา ม, มารมนี้คนไหนจริตนิสัยนะรักสุขรักสบายรักสวยรักงามควรจะเริ่มจากการดูกายงั้นเรามาหัดรู้สภาวะธรรมที่ประกอบกันเป็นร่างกายนะ ภาวะธรรมที่เป็นกายเช่นอะไรเป็นกายที่หายใจออกกายที่หายใจเข้าหายใจออกคอยรู้สึกหายใจเข้าคอยรู้สึกนะต่อไปเวลาเราเผลอเราโกรธใครขึ้นมาสักคนหนึ่งนะลมหายใจเราเปลี่ยนจังหวะพอลมหายใจเปลี่ยนจังหวะปุ๊บจิตมันเคยรู้ลมหายใจบ่อยๆนะสติจะเกิดเองจ ะ, ะระลึกได้นะจ ะ, ะระลึกถึงลมหายใจปุ๊บแล้วจะเกิดความรู้สึกตัวขึ้นมาเลย จะตามกันมาเลยจะรู้สึกตัวหลุดออกจากโลกของความคิดได้ด้วยนั้นหัดรู้สภาวะไปคนไหนจะชอบกายก็ดูเห็นร่างกายหายใจออกร่างกายหายใจเข้าเห็นร่างกายพองเห็นร่างกายยุบเห็นร่างกายเคลื่อนไหวเห็นร่างกายเคลื่อนไหวร่างกายหยุดนิ่งร่างกายเคลื่อนไหวร่างกายหยุดนิ่งเห็นมันร่างกายมันทํางานไปต่อไปอย่างสมมติบางคนหัดขยับมืออย่างหลวงพ่อเตียนเนี่ยขยับ ต่อมาเวลาเผลอๆขยับเท้าไม่ได้ขยับมือซะหน่อยนะเพราะเท้าเคลื่อนไหวนะระลึกขึ้นได้เลยระลึกถึงเท้าที่เคลื่อนไหวสติเกิดปุ๊บจิตตั้งมั่นอัตโนมัติเลยนะถ้าคนไหนไม่ชอบดูรูปธรรมก็ดูนมามธรรมเช่นความสุขเกิดขึ้นคอยรู้ทันความทุกข์เกิดขึ้นในใจเราคอยรู้ทันกุศนละเกิดขึ้นที่ใจคอยรู้ทันความโลภเกิดที่ใจคอยรู้ทัน ความโกรธเกิดรู้ทันความหลงเกิดความฟุ้งซ่านความหดหู่เกิดรู้ทันคอยรู้ทันความรู้สึกในใจของตัวเองบ่อยๆจะสุขจะทุกข์ก็ได้นะจะดีจะชั่วก็ได้สภาวะอะไรก็ได้ไม่ใช่ต้องเลือกแล้วแต่ว่าสภาวะใดเด่นขึ้นมาก็รู้อันนั้นแหละการที่เราหัดคอยรู้ทันสิ่งซึ่งแปลกปลอมเข้ามาในจิตเนืองๆเนี่ยต่อไปเวลาเราเผลอแล้วมีอะไรแปลกปลอมขึ้นในจิตสติจ ะ, ะระลึกได้เองว่า มีความผิดปกติเกิดขึ้นแล้วงั้นเราต้องฝึกจนมันเกิดสติอัตโนมัตินะคอยระลึกถึงกายเรื่อยเร่อยคยระลึกถึงจิตเรื่อยๆแล้วแต่ใครจะถนัดอย่างหลวงพ่อเนี่ยถนัดระลึกรู้จิตจิตสุขก็รู้จิตทุกข์ก็รู้จิตเฉยก็รู้จิตดีก็รู้จิตโลภจิตโกรธจิตหลงจิตฟุ้งซ่านจิตหดหู่รู้หมดเลย การที่เราหัดรู้บ่อยๆนะต่อไปพอความรู้สึกแปลกปลอมเกิดที่จิตเท่านั้เองสติระลึกอัตโนมัติเลยต้องฝึกจนอัตโนมัติสมาธิก็ต้องอัตโนมัติจิตตั้งมั่นโดยที่ไม่ได้ประคองไว้สติก็อัตโนมัตินะระลึกได้เองโดยไม่ได้เจตนาระลึกถ้าเรามีสติอัตโนมัติเรามีสมาธิอัตโนมัติปัญญาอัตโนมัติจะเกิดเองมันเกิดเองปัญญาไม่ต้องคิดเอา นะถ้าปัญญาคิดเอายังเรียกว่าจินตามายาปัญญาไม่ใช่วิปัสนาปัญญาวนะิปัสนาปัญญาเป็นภาวนามยาปัญญาดูของจริงจเจริญสติจเจริญสมาธิจิตตั้งมั่นเป็นคนดูหลวงพ่อถึงสรุปการปฏิบัติลงมาที่ว่าให้พวกเรามีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางเห็นไหมมีสองอันมีสติสติรู้อะไรรู้กายรู้ใจอย่างที่มันเป็น นะแล้วก็มีสมาธิคือมีจิตตั้งมั่นและเป็นกลางเราต้องมีเครื่องมือ2ตัวนีนะ้เครื่องมือ2ตัวนี้อยู่อยู่ไม่เกิดต้องพัฒนาขึ้นมานะแต่ถ้าเคยพัฒนามาแต่ชาติก่อนนะมันเกิดง่ายนะฟังธรรมนิดเดียวจิตจะดีดออกมาเป็นผู้รู้แล้วนะทุกวันนี้พวกเราที่จิตถอดตัวมาเป็นผู้รู้แล้วก็ขันแยกออกไปนะเห็นกายกับใจบเป็นคนละนเห็นกิเลสกับจิตเป็นคนละนเห็นสุขทุกข์กับจิตเป็นคนละ มีนับจำนวนไม่ถูกแล้วย่อแยกไปหมดเลยการที่ขันแยกตัวไปจิตเป็นคนดูสติะระลึกเห็นความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของขันนะีกว่าเราจเจริญสติปัฏฐานอยู่นะที่เป็นวิปัสสนากรรมฐานาด้วยตราบใด ท, ที่ยังมีผู้จเจริญสติปัฏฐานที่เป็นวิปัสสนากรรมฐานนะโลกจะไม่ว่างจากพระอรหันต์ังนั้นถ้าพวกเราจเจริญอยู่เนี่ยเราเดินอยู่ในเส้นทางของพระอรหันต์ มีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นเป็นกลางรู้ไปเรื่อยรู้แล้วหลงยินดีรู้ทันรู้แล้วหลงยินร้ายรู้ทันฝึกอย่างนี้บ่อยๆนะแล้วเราวันหนึ่งเราก็จะได้ธรรมะมาะได้ตั้งแต่พระโสดาสกตาคาอนาคาเป็นพระอรหันต์ตามชั้นตามภูมิของความสามารถความจริงจังในการปฏิบัติจริงจังอย่างเดียวไม่ได้ต้องปฏิบัติให้ถูกด้วยนะ นั้นหลักต้องแม่นขยันอย่างเดียวไม่ได้ขยันอย่างเดียวแต่ไม่รู้วิธีก็เรียกขยันแล้วงโง่ยิ่งตระเวนเปิดเปิงหนักกว่าเก่าอีกฉลาดอย่างเดียวแล้วไม่ขยันไม่ได้นะฉลาดอย่างเดียวแล้วไม่ขยันก็ทําอะไรไม่สําเร็จต้องฉลาดรู้วิธีด้วยแล้วขยันด้วยเพื่อจะสำเร็จทั้งโง่ทั้งขี้เกียจไม่ต้องพูดถึงเลยบัวใต้น้ําใต้คโคลนอะไรนั่นเลยแต่เราก็ไม่ดูถูกนะ ก่อนที่พวกเราจะเป็นบัวปลิบน้ำอย่างทุกวันนี้เราเป็นบัวใต้น้ำมาก่อนนะ <c oughs> เราก็ไม่ได้ดูถูกใครหรอกนะอ้างเชิญไปทานข้าวนี่หมดเลยครับ